พรผู้มีพระภาคทรงสรุปพระธรรมเทศนาอานนท์เธอคงเห็นอย่างนี้ว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะในสมัยนั้นคงจะเป็นคนอื่นแน่แต่ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะในสมัยนั้นเรามีเมืองขึ้น8ปดหมพันเมืองมีกรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวงมีปราสาท 84%, พันองค์มีธรรมประสาทเป็นที่อยู่ มีเรือนยอด8 4ด0พันหลังมีเรือนยอดมหาวิโยหะเป็นที่อยู่มีบรรลังแปด 4% พันบลังเป็นบรรลังทองบรรลังเงินบรรลังงาบรรลังแก้วบุษราคำลาดด้วยพรมขนสัตว์ชา ย, ยาวลา ด, ด้วยสักราดลา ด, ด้วยผ้าปักลวดลายลา ด, ด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักสูงหุ้มนวมสีแดงทั้งสองข้าง มีช้างแ4ดหมพันช้างมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตะขายทองมีพญาช้างตรกูลอุโบสถเป็นช้างทรงมีม้า 84% ด0 0พันม้ามีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตะขายทองมีพญามา้าวลาหกเป็นมา้าทรงมีราชรถ 84% ดหมพันคันหุ้มด้วยหนังราชสีห์หุ้มด้วยหนังเสือโครง่งหุ้มด้วยหนังเสือเหลือง ภ่มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตะข่ายทองมีเวชยันราชรถเป็นรถพระที่นั่งมีแก้วแปดหมสี่พันดวงมีมณีแก้วเป็นชั้นยอดมีสตรี8ปดหมนสี่พันนางมีพระนางสุภธาเทวีเป็นอ克拉มเหสีมีข้าบรบดี8ปด0 0นสี่พันคนมีข้าบรบดีแก้วเป็นหัวหน้า มีกษัตริย์ผู้สวามิพัก8 4ด0มองค์มีปรินายกแก้วเป็นหัวหน้ามีโคโนม8 4 0 0มพันตัวที่พร้อมจะให้น้ำนมจนสามารถเอาภาชนะรองรับได้มีผ้าโขมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากำพลเนื้อดีรวม 84,000 โกรดมีสำรับอาหารที่มีคนนำถวายทั้งเช้าและเย็น84สพันสรับ บรรดาเมือง 84,000 เมืองในสมัยนั้นเราอยู่ครอบครองเมืองเดียวเท่านั้นคือกรุงกุสาวดีราชธานีปราสาท 84,000 องค์เราอยู่ในปราสาทหลังเดียวเท่านั้นคือธรรมประสาทเรือนยอด 84,000 หลังเราอยู่ในเรือนยอดหลังเดียวเท่านั้นคือเรือนยอดมหาวิยูหะบันลัง 84,000 บันลัง บรลลังที่เราใช้สอยคือบรลลังทองบรลลังเงินบรลลังงาหรือบรลลังแก้บุษราคมบรรลังใดบรลลังหนึ่งเท่านั้นช้าง8 4ด0 0สพันช้างช้างที่เราขี่เชือกเดียวเท่านั้นคือพญาช้างตระกูลอุโบสถ ม, า 84, มา้า8ปดหมพันม้าม้าที่เราขี่ตัวเดียวเท่านั้นคือพญาม้าวลาหกราชรถ 84,000 พันคัน ราชรถที่เราใช้คันเดียวเท่านั้นคือเวชยันราชรถสตรี 84% ด0 0นพันนางนางกษัตริ์หรือนางแพทย์คนเดียวเท่านั้นที่ปรนิบัติเราผ้า 84%, ด0 0พันโกรดผ้าที่เรานุ่งมีเพียงคู่เดียวเท่านั้นจะเป็นผ้าโขมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีหรือผ้ากำพลเนื้อดีก็ตามสำหรับอาหาร 84%, พันสำหรับ สำรับอาหารที่เราบริโภคเพียงสำรับเดียวเท่านั้นคือข้าวสุกนานหนึ่งเป็นอย่างมากพร้อมด้วยกับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้นดูเถิดอานตน์สังขารเหล่านั้นทั้งปวงล่วงลับดับไปพันแปรไปแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายไม่น่ายินดีอย่างนี้แลอาน o น์ ข้อนี้จึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำนัดควรจะหลุดพ้นไปจากสังขารทั้งปวงโดยแท้อานนท์เรารู้ว่าการที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมาหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตได้รับชัยชนะมีราชน า, าจาักมั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการ ได้ทอดทิ้งสริระไว้ณสถานที่นี้ถึงหครั้งแล้วการทอดทิ้งสริระครั้งนี้เป็นครั้งที่7อานนท์เราไม่เห็นสถานที่อื่นใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่ตถาคตจะทอดทิ้งสริระเป็นครั้งที่8ดเลยพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดา ได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสพระคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขมหาสุทัศนสูตรที่สจบ หชนวะวสภสูตรว่าด้วยชนวะวสภยักษ์ทรงพยากรชาวบ้านนาทิคคาคเป็นต้นข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ตำหนักอิดในนาทิาครามำโดยทรงพยากรเหล่าชนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรยัยอุบาสกอุบาสิกาที่ล่วงลับดับชีพไปแล้ว ในแคว้นรอบๆคือแคว้นกาสีแคว้นโกสนแคว้นวัชีแคว้นมัลละแคว้นเจตีแคว้นวังสะแคว้นกุรุแคว้นปัญจาละแคว้นมัชชะและแคว้นสุระเซนะในเรื่องการอุบัติว่าคนโน้นเกิดณที่โน้นคนโน้นเกิดณที่โน้นชาวบ้านนาที่คระามมากกว่าห้าสิบคน ผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชตเบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปปรินิพานในโลกนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกชาวบ้านนาทิ่ ค, คา ม, มากกว่า90คนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรยัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วเป็นพระสกธาคามีเพราะสังโย์สามประการสิ้นไป และเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางมาสู่โลกนี้อีเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้ชาวบ้านนาที่กระคามมากกว่า500คนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชี่ไปแล้วเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า ชาวบ้านนาทิ่กระคผู้เคยบํารุงพระรัตนตรัยได้ฟังข่าวว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรเหล่าชนผู้เคยบํารุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วในแคว้นรอบๆคือแคว้นกาสีแคว้นโกสลแคว้นวัชีแคว้นมันละแคว้นเจตีแคว้นวังสะแคว้นขุรุแคว้นปัญจาละแคว้นมัชชะและแคว้นสุระเสนะ ในเรื่องการอุบัติว่าคนโน้ น, โ น, น, โนเกิดหน้าที่โน้นคนโน้นเกิดหน้าที่โน้นชาวบ้านนาที่ก ค, คามมากกว่า50บคนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ร่วงรับดับชีพไปแล้วเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยตเบื้องต่มห้าประการสิ้นไปปรินิพพานในโลกนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกชาวบ้านนาที่ก ค, คามมากกว่า90คน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 ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าเพราะเหตุนั้นแหลชาวบ้านนาทิกคกระคผู้เคยบำรุงพระรัตนตรยัยจึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปิติและโสมนัสเพราะได้ฟังคำพยากรณ์ปัญหาของพระผู้มีพระภาคท่านพระอนนท์ได้ฟังข่าวว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์เหล่าชนผู้เคยบารงพระรัตนตรยัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้ว ในแคว้นรอบๆคือแคว้นกาสีแคว้นโกสนแคว้นวัชีแคว้นมัลละแคว้นเจตีแคว้นวังสะแคว้นขุรุแคว้นปัญจาละแคว้นมัชะและแคว้นสุระเสนะในเรื่องการอุบัติว่าคนโน้นเกิดนาที่โน้นคนโน้นเกิดนาที่โน้นชาวบ้านนาที่กะคามากกว่าห้าสิบคนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงรับดับชีพไปแล้ว เป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการสิ้นไปปรินิพานในโลกนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกชาวบ้านนาที่กระคามากกว่า90คนผู้เคยบํารุงพระรัตนตรยัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วเป็นพระสกะทาคามีเพราะสังโยชน์สมประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทําที่สุดแห่งทุกได้ ชาวบ้านนาทิกะคา ม, มากกว่า500คนผู้เคยบํารุงพระรัตนตรยัยที่ล่วงลับแับชีพไปแล้วเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยศสามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสําเร็จส้ำโพธิในวันข้างหน้าเพราะเหตุนั้นแหลชาวบ้านนาทิกรามผู้เคยบํารุงพระรัตนตรยัยจึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปิติและโสมนัส เพราะได้ฟังคำพยากรณ์ปัญหาของพระผู้มีพระภาคคำกราบทูลเรียบเคียงของพระอานต์ครั้งนั้นท่านพระอานุ์มีความคิดดังนี้ว่ามีชาวมกตเหล่านี้จำนวนมากเป็นผู้เคยบำรุงพระรัตนตรยัย และเป็นรัตตันยูซึ่งล่วงลับดับชีพไปแล้วแต่เพราะพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรชาวอังคะและชาวมคตผู้เลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้รักษาศรรีลให้บริบูรณ์ที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วเหล่านั้นแขวนอังคะและแคว้นมคตจึงดูประหนึ่งว่าว่างจากชาวอังคะและชาวมคตผู้เคยบำรุงพระรัตนตรยัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้ว การพยากรณ์คนเหล่านั้นพึงให้สำเร็จประโยชน์ได้คือคนจำนวนมากพึงเลื่อมใสจากนั้นจะไปสู่สุคติภูมิอันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแห่งแคว้นมคตผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเกลื้อกูลพวกพราหมณ์และข้าดีชาวนิคมและชาวชนบททราบว่าชาวบ้านพากันสรรเสริญอยู่ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรม ทรงปกครองให้พวกเราอยู่เป็นสุขสวรรคตแล้วพวกเราอยู่อย่างผาสุขในแวดแค้น ข, ของพระองค์ผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมอันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นทรงเลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์และทรงรักษาศีลให้บริบูรณ์และทราบว่าชาวบ้านพูดกันอย่างนี้ว่าแม้จนกระทั่งเวลาจะสวรรคต พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแห่งแคว้นมคตก็ยังทรงสรรเสริญพระผู้มีพระภาคอยู่จนสวรรคตพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรเท้าเธอผู้สวรรคตไปแล้วการพยากรเท้าเธอพึงให้สาเร็จประโยชน์ได้คือชนจำนวนมากพึงเลื่อมใสจากนั้นจะไปสู่สุคติภูมิพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ในแคว้นมคตทำไมพระองค์จึงไม่ทรงพยากรชาวมคต ผู้เคยบํารุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วในเรื่องการอุบัติที่พระองค์ได้ตรัสรู้ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรชาวมคตผู้เคยบํารุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วในการอุบัติพวกชาวมคตจะพึงน้อยใจว่าฉชไหนพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงพยากรชาวมคตเหล่านั้นท่านพระอาณนลปรารบชาวมคตผู้เคยบํารุงพระรัตนตรัย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 ในแคว้นรอบๆคือแคว้นกาสีแคว้นโกสนแคว้นวัชีแคว้นมันละแคว้นเจตีแคว้นวังสะแคว้นขุรุแคว้นปัญจาละแคว้นมัชชะและแคว้นสุระเสนะในเรื่องการอุบัติว่าคนโน้นเกิดหน้าที่โน้นคนโน้นเกิดหน้าที่โน้นชาวบ้านนาธิ่คคามมากกว่า50สิบคนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงรับดับชีไปแล้วเป็นโอปปปาทิกะ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำหประการสิ้นไปปรินิพพานในโลกนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกชาวบ้านนาทิกะคามากกว่า90คนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรยัยที่ล่วงรับดับชีพไปแล้วเป็นพระสกะทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางมาสู่โลกนี้อีเพียงครั้งเดียวก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ ชาวบ้านนาที่ก ค, คา ม, มากกว่าห้อคนผู้เคยบำรงพระรัตนตรยัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชนสามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าเพราะเหตุนั้นแลชาวบ้านนาที่ก ค, คาผู้เคยบำรงพระรัตนตรยัยจึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปิติและโสมนัสเพราะได้ฟังคพยากร์ปัญหาของพระผู้มีพระภาค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 ท่านพระอาณนน์กราบทูลเรียบเคียงปรารบชาวมคตผู้เคยบำรุงพระรัตนตรยัยนณะเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทแล้วกระทําประทักษิณจากไป เมื่อท่านพระอานนท์จากไปไม่นานครันในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนาที่กระคำเพื่อบินธบาตเมื่อเสด็จกลับจากบินธบาตภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วทรงล้งพระบาทเสด็จเข้าไปในตำหนักอิฐประทับนั่งบนพุทธาที่ปูรารไว้แล้วทรงตั้งพระไทยเพ่งพิจารณาเหตุการณ์ทุกอย่าง ปรารบชาวมคตผู normally, mm. ้เคยบารุงพระรัตนตรัยด like ้วยพระดำริว่าเราจะรู้คติและอภิสัมปรายภพของชาวมคตเหล่านั้นว่าผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไรและมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรแล้วได้ทรงเห็นชาวมคตผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยว่าผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไรและมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไร ครั้นในเวลาเย็นเสด็จออกจากการหลีกเร้นออกจากตำหนักอิฐประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้แล้วในร่มเงาพระวิหารลำดับนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงมีพระอาการอันสงบสีพระพักผุดผ่องยิ่งนัก เพราะพระอินทรียีผ่องใสวันนี้พระองค์คงประทับอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อันสงบเป็นแน่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุที่เธอปรารบชาวมคตผู้เคยบำรุงพระรัตนตรยัยพูดเรียบเคียงเฉพาะหน้าเราแล้วลุกจากอาสนะจากไปเราเที่ยวไปยังนาทิกรามเพื่อบินทบาทเมื่อกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้ว ล้างเทา้าเข้าไปยังตำหนักอิดนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วตั้งจิตเพ่งพิจารณาเหตุการณ์ทุกอย่างปรารบชามาคตผู้เคยบารุงพระรัตนตรัยด้วยคิดว่าเราจะรู้คติและอภิสัมปรายภพของชามาคตเหล่านั้นว่าผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไรและมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรอานนตถาคตได้เห็นชามคต ผู้เคยบำรุงพระรัตนตรยแล้วว่าผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไรและมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรชนวะสพยักษ์อานนทันใดนั้นยักษ์ที่ไม่ปรากฏตัวเปล่งเสียงให้ได้ยินว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อชนวสสะพะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อชนวสสะพะอานนท์ชื่อชนวสสะพะนี้เธอรู้จักหรือเคยได้ยินมาก่อนหรือไม่ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชื่อชนวะสะพระนี้ข้าพระองค์ไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่พอข้าพระองค์ได้ยินชื่อ ชนวสภะเท่านั้นขนก็ลุกชูชันจึงคิดว่าผู้ที่ได้นามว่าชนวสภะนี้คงไม่ใช่ยักษ์ชั้นต่ำเป็นแน่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานขนขณะที่มีเสียงดังขึ้นยักษ์มีผิวพันธุ์ผุดผ่องยิ่งนักปรากฏขึ้นต่อหน้าเรายักษ์นั้นเปล่งเสียงให้ได้ยินอีกเป็นครั้งที่สองว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข่าพระองค์คือพิมพ์พิสารข่าแต่พระสุคตข่าพระองค์คือพิมพ์พิสารครั้งนี้เป็นครั้งที่7ที่ข่าพระองค์เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับท้าเวสวรามหาราชจุติจากสวรรค์ชันจาตุมหาราชนี้แล้วสามารถไปเกิดเป็นพระราชาในโลกมนุษย์ข่าพระองค์จุติจากเทวโลกเจครั้งจากมนุษย์โลกเจครั้งรวมเวลาท่องเที่ยวอยู่14ครั้ง รู้จักพบที่เคยอยู่อาศัยในการกบข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ไม่มีทางตกต farming, ่ำทราบดีถึงความไม่ตกต่ำมาช้านานข้าพระองค์ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อเป็นพระสกทาคามีท่านพระอนุทูลถามว่าการที่ชนวสพยักษ์ประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่มีทางตกต่ำทราบดีถึงความไม่ตกต่ามาช้านาน และประกาศว่าตั้งความปรารถนาไว้เพื่อเป็นพระสกะทาคามีเช่นนี้น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเพราะอะไรเล่าที่เป็นเหตุทำให้ชนวัสพยาคทราบดีว่าจะบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่เห็นปานนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนวัสพยาคประกาศว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์มิได้เว้นจากคำสอนของพระองค์เลย ข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ไม่ได้เว้นจากคำสอนของพระองค์เลยนับตั้งแต่วันที่ข้าพระองค์เลื่อมสายพระผู้มีพระภาคอย่างมากเป็นต้นมาข้าพระองค์ไม่มีทางตกต่ำทราบดีถึงความไม่ตกต่ำมาช้านานและตั้งความปรารถนาไว้เพื่อเป็นพระสกะทาคามีดังจะกราบทูลให้ทรงทราบข้าพระองค์ได้รับบัญชาจากท้าวเวสวรรณมหาราช ให้ไปเฝ้าท้าววิรุณหกมหาราชด้วยธุระอย่างหนึ่งระหว่างทางได้พบพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังเสด็จเข้าไปยังตำหนักอิดประทับอยู่ส่งตั้งพระไทยเพ่งพิจารณาเหตุการณ์ทุกอย่างปรารบชาวมคธผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยด้วยทรงพระดำริว่าเราจะรู้คติและอภิสัมปรายภพของชาวมคธเหล่านั้นว่าผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไร และมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงที่ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักท้าเวสว ร, ร์มหาราชผู้กล่าวอยู่ในบริษัทนั้นว่าชามตมกตฎผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไรและมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรข้าพระองค์จึงมีความคิดดังนี้ว่าเราจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและจะกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบ เฮ hey, สองประการนี้แหลที่ทำให้ข้าพระองค์ได้มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเทวสภาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหลายวันมาแล้วในคืนเพนวันอุโบสถ15คหาคำอันเป็นวันเข้าพรรษา พวกเทพชั้นดาวดึงทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธรร ม, มาเทวสภามีเทพบริษัทมากมายนั่งอยู่โดยรอบเท้าจาตุมหาราชประทับอยู่ในทิศ ท, ทั้งสี่คือ 1. ทิศตะวันออกมีเท้าทตาระฐมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันตกมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้า 2. ทิศใต้มีท้าวิรุณหกมหาราช ประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศเหนือมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้า 3. ทิศตะวันตกมีท้าววิรูปักมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันออกมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้า 4. ทิศเหนือมีท้าวเวสวรามหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศใต้ tai, มีพวกเทพอยู่เบื้องหน้า เมื่อครั้งที่พวกเทพชั้นดาวดึงทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธรรมมาเทวสภามีเทพบริษัทมากมายนั่งอยู่โดยรอบมีเท้าจาตุมหาราชประทับอยู่ในทิศทั้งสีน่นี้เป็นธรรมเนียมในการนั่งของเท้าจาตุมหาราชข้างหลังถัดออกมาเป็นที่นั่งของข้าพระองค์ทั้งหลายเทพเหล่านั้นประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคแล้วเดี๋ยวนี้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง รุ่งเรืองเกินเทพเหล่าเอ่นด้วยวันนะและยศนว่าด้วยเหตุนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงจึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปีติและโสมนัสกล่าวว่าท่านทั้งหลายหมู่เทพเจริญเต็ ม, ตมที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลง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 เทพเหล่านั้นเป็นสาวกของพระผู้มีพระปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินทั้งหมดเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษรุ่งเรืองเริ่นเทพเหล่าอื่นในที่นี้ด้วยวรนนะัยศและอายุพวกเทพชั้นดาวเ ด, วดืองมีพระอินทเป็นประธานครั้นเห็นเหตุนี้แล้วพากันเพลิดเพลินถวายมณฑสการพระตถาคตและความดีของพระธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในว่าเพราะเหตุนั้น พวกเทพชั้นดาวดึงจึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปิติและโสมนัสสุดจะประมาณได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายมูเทพเจริญเต็มที่หมูอสูญเสื่อมถอยลงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นแหลแม้ท้าวจาตุมหาราชได้รับคำบอกเล่าเรื่องที่เป็นเหตุให้พวกเทพชั้นดาวดึงต้องมานั่งประชุมคิดพิจารณากันในสุธรรมมาเทวสภาแล้ว ก็ยังดำเนินการในเรื่องนั้นอยู่ทั้งได้รับคำแนะนำที่พวกเทพชั้นดาวดึงตามพร่ำสอนเฉพาะแล้วก็ทรงดำเนินการในเรื่องนั้นอยู่และต่างยังคงประทับยืนอยู่หน้าที่ประทับของตนของตนไม่ยอมจากไปเท้าจาตุมหาราชเหล่านั้นได้รับคำบอกแล้วทั้งได้รับคำแนะนำแล้วจึงมีพระไทยผงใสประทับยืนสงบอยู่ณที่ประทับของตนของตน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นแลได้เกิดแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นทางทิศเหนือปรากฏโอภาษเกินเทวานุภาพของเทพทั้งหลายทีนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงมาตรัสว่าท่านผู้นิรทุกทั้งหลายมีนิมิตที่สังเกตได้คือแสงสว่างเกิดขึ้นโอภาษปรากฏขึ้นพระพรหมก็จะปรากฏองค์ขึ้น เพราะการที่แสงสว่างเกิดขึ้นโอภาสปรากฏขึ้นนี้จัดเป็นบุพนิมิตแห่งการปรากฏของพระพรหมเมื่อมีนิมิตที่สังเกตได้พระพรหมก็จะปรากฏองค์ขึ้นเพราะโอภาสอันเจอจ้ายยิ่งเป็นนิมิตแห่งพระพรหม เรื่องชนางกุมารพรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงนั่งบนที่นั่งของตนของตนกล่าวว่าพวกเราจะรู้โอภาษนั้นเมื่อรู้ชัดผลที่ปรากฏแล้วจึงจะไปแม้ท้าวจาตุมหาราชประทับบนที่ประทับของตนของตนก็กล่าวว่าพวกเราจะรู้โอภาษนั้นเมื่อรู้ชัดผลที่ปรากฏแล้วจึงจะไป พวกเทพชั้นดาวดึงสัตบเรื่องนี้แล้วนั่งสงบอยู่มีความคิดตรงกันว่าพวกเราจะรู้โอภาสนั้นเมื่อรู้ชัดผลที่ปรากฏแล้วจึงจะไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อสนังกุมารพรมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงพระองค์ทรงเนรมิตอัตภาพให้หยาปรากฏขึ้นเพราะรูปร่างปกติของพรมไม่อาจปรากฏในคลองจักษุ ข, ของพวกเทพชั้นดาวดึงได้ เมื่อนสนังกุมารพ commun รหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงพระองค์ก็รุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นด้วยวันณะและยศร่างกายที่เป็นทองคําย่อมงดงามเกินร่างกายมนุษย์ชั้นใดเมื่อสนังกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงพระองค์ก็รุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นด้วยวันณะและยศฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสนังกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงในเทพบริษัทนั้น เทพบางองค์ไม่ไว่ายไม่ต้อนรับไม่เชิญด้วยอาสนะทั้งหมดพากันนั่งขัดสมาธิประนมมือนิ่งอยู่ด้วยดำริว่าบาัดนี้สนางกุมารพรมจะประทับนั่งบนบันลังของเทพที่พระองค์ปรารถนาสนางกุมารพรมประทับนั่งบนบันลังของเทพองค์ใดเทพองค์นั้นได้ความยินดีอย่างยิ่งได้สมนัดอย่างยิ่งกษัตริธิราชผู้ได้รับมรทาพิเศษแล้ว พึ่งจะครองราชทรงได้ความยินดีอย่างยิ่งได้ความสมณัติอย่างยิ่งชั้นใดสนังกุมารพรมประทับนั่งบนบันลังของเทพองค์ใดเทพองค์นั้นก็ได้ความยินดีอย่างยิ่งได้ความสมณัตอย่างยิ่งชั้นนั้นเหมือนกันจากนั้นสนังกุมารพรมทรงเนรมิตอัตภาพให้หยาบเป็นรูปร่างกุมารเช่นกับปัญจสิกะเทพบุตรปรากฏแกพ่พวกเทพชั้นดาวดึง แล้วเหาะขึ้นอากาศนั่งขัดสมาธิในอากาศบนที่ว่างกลางอากาศเหมือนบุรุษมีกาลังนั่งขัดสมาธิบนบันลังที่ปูลาดไว้ดีแล้วหรือบนพื้นที่ราบเรียบเสมอกันฉะนั้นทรงทราบความเลื่อมใสของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วจึงทรงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอินท์เป็นประธาน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 พวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอิน์เป็นประธานครั้นเห็นเหตุนี้แล้วพากันเพลิดเพลินถวายมนัส ก, การพระตถาคตและความดีของพระธรรมเสียง ข, <walk> ของสนงกุมารพรมข่าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 เสียงของสนังกุมารพรมนั้นไม่ได้ดังออกไปภายนอกบริษัทผู้มีเสียงประกอบด้วยองค์8ประการเช่นนี้เรียกว่ามีเสียงเหมือนเสียงพรมครั้งนั้นสนังกุมารพรมเนรมิตรอัตภาพเป็นรูปเนรมิตร33องค์ประทับนั่งบนบันลังของพวกเทพชั้นดาวดึงทุกบันลังรับสั่งเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงมาตรัสว่าพวกเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญ เข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรก็พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นี้ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพียงไรเราชนผู้เจริญผู้ถึงพระพุทธเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะรักษาศีลให้บริบูรณ์หลังจากตายไปบางพวก ถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นปรณนิมมิตวะสวัสดีบางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นนิมมานรดีบางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดุสิตบางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นิบางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นยามาบางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงบางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราช พวกที่ยังกายให้บริบูรณ์ซึ่งต่ำกว่าเขาทั้งหลายย่อมไปเพิ่มจำนวนหมู่เทพคนทันสนางกุมารพรมได้ตรัสเนื้อความนี้ขณะที่สนางกุมารพรมตรัสเนื้อความนี้มีเสียงดังพวกเทพเข้าใจเสียงของสนางกุมารพรมว่าผู้ที่นั่งบนบันลังของเรากับผู้พูดเป็นคนเดียวกันพระโบราณอาจารย์กล่าวว่าเมื่อสนางกุมารพรมผู้เดียวกล่าว รูปเนรมิตรทุกรูปก็กล่าวเมื่อสนังกุมารพรมนิ่งรูปเนรมิตรทุกรูปก็นิ่งพวกเทพชั้นเดวดึงมีพระอินเป็นประธานสำคัญสนังกุมารพรมว่าผู้ที่นั่งบนบันลังของเรากับผู้พูดเป็นคนเดียวกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นแลสนังกุมารพรมกลับคืนตนเป็นผู้เดียว ประทับนั่งัดสมาธิบนบันลังของเท้าสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกผู้เทพชั้นดาวดึงมาตรัสว่า